ท่านพระเทรานุเทระผู้บริหารครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยฝ่ายวิชชิตทุกรุ่นขอเจริญพรท่านดรพงชัยเนรมิตรศรีชัย ที่ปรึกษาและทุนตรีประจำสานักนายกรละทุนตรีในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสคุณธนาชัยธีรพัฒนวงศ์ประธานกิจมิตรสัของสปริงกรุปคุณบักบันบุญเลิศบนาธิการอำนวยการบริษัทฐานมันติมิเดียพร้อมทั้งผู้บริหารครูบาอาจารย์นิสิต ฝ่ายเครือข่ายและทางสาธุชนทุกท่านในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาทัยขออธุมูทนาชื่นชมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่ง เป็นการดำเรินเรื่องของสมาคมบันฑิตทางกฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์และคณะสังคมา ศ, าศาสตร์ของมหาจุฬาที่มีการเปิดวิชาเอกนิติศาสตร์ให้ทั้งพระและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียนโดยที่สถานการณ์ในบ้านเบืองนั้นลุกเรา ทำให้พระสงฆ์จำเป็นจะต้องรู้กฎหมายเอาไว้ดูแลรักษาวัดวาอารามและกิจการถาดพระศาสนาไม่อยากให้เกิดการทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการมหาวิทยาลัยจึงได้เปิดหลักสูตรนี้และได้รับความสนใจลังจากพระมาเรียนการจำนวนมากเป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็มีเยอะ เพราะว่าต้องบริหารกิจาการพระศาสนาไม่ใช่เพียงแต่อาศัยหลักพระธรรมวินัยแต่ยังจะต้องมีกฎหมายบ้านเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งในยุคปัจจุบันด้วยในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามามากมายสมเด็จเมื่อประมาณ100ปีมาแล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชัชเชริยานวโรรส ก็ทรงหลงใ่พระสงฆ์เช่นเดียวกันว่าจะตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกฎหมายมีพระเถระทีะ่โดนลงโทษเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็หลายรูปเป็นพระเถระผู้ใหญ่ด้วยต้องเรียกมากัก บ, บริเวณสมัยก่อนนั้นไม่ต้องไปติดคุก ติดคุมพระก็คือมากัก บ, บริเวณเหมือนทหารก็มีคุกทหารพระทมผิดก็ไปกัก บ, บริเวณอยู่วัดใดวัดหนึ่งอย่างเช่นครูบาลสีวิชัยอย่างที่เราทราบเนเีโดนเรียกกัก บ, บริเวณเหตุเพราะว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับแรกที่ออกมาในปี2445 ท่านถือว่าท่านเคยปฏิบัติมาอย่างไรท่านก็ทําไปตามพระธรรมวินัยอย่างนั้นยกตัวอย่างสมัยนี้สมมติว่าพระมีพรรษาพ้นสิบเนตามพระธรรมวินัยเนี่ยสามารถถ้ามีความรู้คว า, ามาสามารถก็สามารถเป็นพระอุปช า, รปชาเรียนตั้งตนเป็นพระอุปชาได้ให้การบรรพชาบทสมบทแก่บุรุษบุตรได้ตามพระธรรมวินยัยแต่พอมีกฎหมายออกมาแล้วเนี่ย แม้ท่านจะมีพรรษาเกินสิบนะพระสมเนี่ยแต่ถ้าท่านไปเป็นพระบะชาไปนั่งรัชชาเนี่ยมีโทษเพราะไม่ได้รับการแต่งตั้งใครที่บังอาจตั้งตนเป็นพระบะชาโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายมีโทษจำคุกหนึ่งปี ท, งทั้งที่ทำถูกพระธรรมวินัยมันมีเรื่องอื่นที่สมัยแรกๆเนี่ยพระไม่รู้ก็ไป เป็นอุปชาเป็นอะไรกันในสมัยนู้ก็ทําให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติว่าจะตามพระธรรมวินัยอย่างเดียวแล้วจะมีกฎหมายมีอะไรต่างพระจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่สวดอภิเพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชัยรัญวโรรสทรงเป็นพระสังฆราชในสมัยราชการที่6เนี่ยได้ทรงมีพระวินิจฉัยไว้อย่างนี้ว่านี่เป็นบันทึกของพระองค์ท่าน ภิกษุสมแม้มีพระวินัยเป็นกฎหมายสำหรับตัวอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังจะต้องอยู่ใต้อำนาจแห่งกฎหมายฝ่ายอาณาจักรอีก อ, อีกส่วนหนึ่งซึ่งตราไว้เฉพาะหรือเพื่อคนทั่วไปและยังควรอนุวัตจารีตของบ้านเมืองอันไม่ขัดต่อคนหมายสองประเภทนั้นอีกนี่คือพระมหาสมณวินิชัย ทรงสรุปว่าสรุปความภิกษุสงฆ์มีกฎหมายอันจะพึงฝังอยู่สามประเภทคือกฎหมายแผ่นดินหนึ่งพระวินัยหนึ่งจารีตหนึ่งพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามทั้งพระวินยัยกฎหมายบ้านเมืองและก็จารีต ประเพณีเป็นกรอบในการปฏิบัติเปอร์เซ็นต์ของทั้งสามส่วนเนี่ยมากน้อยต่างกันในสมัยพระพุทธเจ้าพระวินัยน่าจะเกือบจะเป็นองค์เป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์เป็นส่วนใหญ่เราเรียกว่าพุทธจักร แต่ถ้าพระสงฆ์ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็จะส่งมาให้พระเจ้าเนี่ยส่งลงโทษส่งวินิจฉัยกระดังกรณีของพักธนิยั์ไปตัดไม้จากป่าสมวนของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าเปดินก็ก็ไม่ได้ลงโทษอะไรเลยตามกฎหมายบ้านเมืองแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้มาบัญญัติวินัยว่า การลักทรัพย์เนี่ยห้ามาสกึนไปขาดจากความเป็นพระก็จะเหมือนกับมีระบบกฎหมายของเป็นแยกออกมาคือพระวินัยเป็นเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่ส่วนกฎหมายแผ่นดินก็ยังไม่ได้คืบคลานเข้ามาในสมัยพระเจ้าต่อเมื่อพระพุทธองค์ได้ ทราบว่าการประพฤติปฏิบัติของพระซึ่งเมื่อมีมากขึ้นเนี่ยขยายไปตามรัฐแคว้นต่างๆซึ่งอยู่ไกลออกไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงเตือนพระทั้งหลายว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนาอนุวัติตงุงแปลว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พวกเธอคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดิน ไปอยู่ที่ไหนระบบปฏิทินเป็นอย่างไรกฎหมายเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามก็เริ่มประสานสัมพันธ์กับฝ่ายบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าต่อมาในมีพัฒนาการออกมาก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพานไปแล้วพระองค์ได้มอบพระธรรมวินัย ให้เป็นธรรมนูญการบริหารกิจการพระศาสนาเราเรียกว่าเป็นศาสดาโดยพระเจ้าได้ตรัสกับพระอนุ์ว่าในมหาปรินิพพานสูตรว่าเมื่อเราล่วงรับไปเนี่ยธรรมะวินัยที่เราได้บัญญัติไว้นั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายก็เป็นที่มาของการสังทยนาครั้งที่หนึ่ง นำโดยพระมหาจัสมปะว่าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีอะไรบ้างและก็ถือปฏิบัติตามนั้นไม่ลดไม่เพิ่มไม่เติมเราเรียกว่าเถราวาดเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเหมือนอย่างที่ไทยพม่าลาวละกาอะไรต่างโดยถือคำสอนในพระไตรปิฎกภาษาบรีเนี่ยเป็นคัมภีร์หลัก ส่วนฝ่ายมหายานนั้นถือว่าอะไรที่เคยได้ยินได้ฟังมาที่ พ, พระเจ้าประธานอนุ ญ, ญาตให้ยืดหยุ่นได้เพิ่มเติมได้ครูบาอาจารย์มีประเพณีปฏิบัติไปอย่างไรก็จะปฏิบัติตามประเพณีนั้นที่ครูบาอาจารย์ถือปฏิบัติเราเรียกว่าอาจริยวาสซึ่งปัจจุบันเรียกว่ามหายานเพราะฉะนั้นมหายานนี่จะเป็นตามสายอาจารย์ยึดจารีณ ที่นอกเหนือจากพระใจพิหนกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในประเทศไทยเราไม่มีจารีตการบวชคำขอบวชเนี่ยจะมีสองอย่างบวชแบบเอสาหังบวชแบบอุกาสะถ้าเป็นธรรมยุติการนิกายเนี่ยก็จะบวชแบบเอสาหังเป็นจารีต บวชแบบมหานิกายก็แบบอุกาศเาขาเรียกคาขอบวชเลยนะก็เป็นพระทั้งทั้งสองแบบนั่นแหละแต่ว่าจารีตเขาเอาเอสาหังท่านก็เอสาหังในส่วนมหานิกายนี่เคยบวชแบบเอสาหังมาก็ท่านก็ให้เอสาหังต่อไปไม่ต้องไปเป็นแบบอุกาศาเหล่านี้คือจารีตแต่โดยหลักแล้วเทรว่านั้นจะ ยึดหลักพระไตรปิฎกมีจารีตเพิ่มเข้ามาแต่ยังไม่มากเท่ากับอาจริวาทคือมหายหญในส่วนกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยชัดเจนมากในสมัยพระเจ้าอาโศก ม, มหาราชในราวพศส3 0ร้อยมื่อพระุเจ้าประนิพาัานไป200กว่าปีก่อนที่จะมีการสังยนาครั้งที่สาม คณะสงฆ์แตกออกเป็นสึกเสียงเริ่มจะมีอาจรรยว่านมากขึ้นเทรว่านก็มีเรียกว่าจำนวนพระเนี่ยที่ถือปฏิบัติภายในเนี่ยที่มันมีความเห็นแตกต่างกันก็มีเยอะแ ต, แต่ในประวัติพระาศาสนาอ้างว่ า, าศาสนาอื่นปลอมบวช เพราะเห็นว่าพุทธศาสนาล่กเรืองคนที่นับถือศาสนาอื่นก็เข้ามาบวชเป็นพระแต่ปัยังปฏิบัติตามความเชื่อในศาสนาเดิมของตนเช่นบูชาไฝไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเข้ามาปะปนปลอมปนทำพระธรรมวินัยให้วิปริตและก็วิปริตจากพระธรรมวินัยเนี่ยเยอะมาก จนพระสงฆ์ที่ท่านเป็นเถราวาทบริสุทธิ์เนี่ยไม่ยอมลงอุโบสถสวดปฏิโมกกับพระแปลกๆทั้งหลายที่ปลอมเข้ามาเพราะถือว่าไม่ใช่พระแท้ท่านไม่ยอมที่จะมาร่วมสังฆกรรมด้วยในมุมมองของบ้านเมืองถือว่าเกิดความแตกแยกรัฐบาลถือว่า พระทะเลาะกันใครจะดูออกแล้วก็ผมผ้าเหลืองเหมือนกันนะ่ะและดีไม่ดีฝ่ายที่เขาเรียกว่านอกกรีดเนี่ยอาจจะเยอะด้วยหัววัดไทยวัดตั้งวัดในสุดชาวบ้านก็ถือหางอีกขนาดก็ทะเลาะกันไม่ร่วมสัทธกรรมร่วมกันถึงหกปี พระเจ้าอโศกมหาราชท่านเป็นผู้มีศรัทธานในพระศาสนาไม่อยากเห็นพระแตกแยกก็เอาอำนาจกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเข้าไปคลืบคลานเข้าไปในวัดจัดการให้พระเนรสารมคีกันตปลองดองสมานม่ฉันโดยทรงอำมาจผู้ใหญ่ฝ่ายทหารเนี่ย ไปจัดการให้เกิดความสามาัคคีทหารก็คิดแบบทหารจะไปยากอะไรก็เรียพกพระในวัดมาวัดใหญ่ๆนั่งเรียงแถวกันตามระเบบอาวุโสแล้วก็ประกาศว่านี่เป็นนโยบายของรัฐบาลพระทั้งหลายต้องสวดปฏิโมกร่วมกันลงสังฆกรรมร่วมกัน ใครัคัดค้านถือว่าไม่ปฏิบัติตามาาพระบรมราชโองการคือกฎหมายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมีโทษประหารถือว่าสร้างความแตกแยกเอาพระมานั่งเรียงกันอยู่นี่แล้วก็ให้ทหารคุมทั้งหมดเลยแก้ปัญหาแบบทหาร เอากฎหมายแบบเต็มร้อยเลยแต่พระท่านติดใจเรื่องวินัยร่วมสังฆกรรมไม่ได้อามาท่านนั้นก็ถามตั้งแต่จะอาวาสขึ้นไปเลยว่าท่านจะลงโบต ร, ร่วมกันไหมไม่แยกกันเป็นกลุ่มตั้งแต่องค์ที่หนึ่งไปเลยท่านเป็นพระบริสุทธิ์ท่านบอกว่าไม่ ทหารที่ยืนคุมอยู่ข้างหลังนี่มิดดาบเลยนฟันฉังคอขาดอยู่ตรงนั้นเลยใครที่บอกว่าไม่เลยนะตั้งแต่องค์ที่หนึ่งมาเนี่ยโดนตัดคอมาทีละรูปละรูปละรูปแล้วท่านก็ยืนการของท่านไม่ยอมท่านจะไม่มาตามพระวิไงของท่านกฎหมายท่านก็ไม่เอาก็โดนประหารมาทีละองค์ลงจนกระทั่งมาถึงองค์หนึ่ง เป็นพระอนุชาคือน้องชายของพระเจ้าอโศกระบวรและองค์นี้ก็บอกว่าไม่เหมือนกันไม่ใช่ตัดคอพระอะไรทีนี้มันตัดคออนุชาพระเจ้าไปดินทำไม่ได้มันมีกฎหมายซ้อนกับไปอีกก็เลยต้องยกเลิกงานนั้นว่าทำปร อ, อมนองไม่สำเร็จม i ช s i ่น i m p o s s i b บล กลับไปกราบทูลพระเจ้าอาโศกว่าที่ทำมาทั้งหมดล้มเหลวเหตุเพราะมาติดที่พระอรุชาของพระองค์พระเจ้าอาโศกตบอกผางเลยฉันให้เธอไปดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ได้ไปฆ่าพระไม่ได้ให้ไปทำลายวัดบาปมหันละที แล้วจะทำยังไงดีฉันทำบาปโดยที่พวกเธอนี่ยแหละออบไซน์ไปสั่งแค่นี้ไปทำอย่างงู้ดก็ถามว่าในเรื่องนี้เนี่ยพระจะต้องจัดการกันเองจะนิมนต์รูปไหนมาดูแลพระท่านก็บอกว่าผู้ที่จะให้คำแนะนำพระองค์ได้ดีเนี่ย คือพระโมคคเลบุตรติสเถระอายุมากแล้วท่านจะปรีกวิเวกอยู่แต่พระเคารพกันให้ท่านมาให้คำแนะนำตัดสินอะไรต่า ง, า ง, างก็จะปฏิบัติตามนั่นก็เป็นเหตุให้พระเจ้าอาโศกมหาราชต้องปรึกษาพระองค์นี้นิมนทร์ท่านมาให้คำแนะนำในสุดรู้วิธีที่จะจัดดำเนินการให้มันถูกต้องจึงเกิดการชระสสารการสอบการอะไรต่าง และก็มีการสังหารณะพระธรรมวินัยครั้งที่สามความพอดีคือจะต้องคุยกันนั่นเองฝ่ายพระสงฆ์จะต้องเข้ามาแนะนําว่าพระธรรมวินัยเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ในฝ่ายบ้านเมืองอุปถัมภ์คือพบกันพบกันครึ่งฐานแรงให้ยาแรงเกินไปก็จะเหมือนที่มันตัดขอพระนั่นเองเราจะอุปถามภ์พระาศาสนาได้แค่ไหนก็ต้องถามพระนรสม แล้วพระศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองเอาลนั่นนั่นเป็นบวัติศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเนี่ย 2,560 เนี่ยก็จะมีเรื่องมาตรา67ก็มีเรื่องอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาและศาสนาอื่นประเด็นก็คืออุปถัมภ์และคุ้มครองได้แค่ไหนอย่างไร ก็ต้องคุยกันอีกความพอดีอยู่ตรงที่การคุยกันแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในการประถมคุ้มครองนั้นมาเน้นเรื่องจารีตคือเถรวาดของเราซึ่งไม่เคยมีในธรรมนูนลอันนี้กฎหมายอุปถัมภ์ พระธรรมวินัยแบบเถรวาทให้การสนับสนุนการเผยแผ่ป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกต่างๆด้วยให้สังเกตว่ามันมีคําเพิ่มเข้ามาซึ่งไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญทั้งในเรื่องของเถรวาททั้งในเรื่องของการมีส่วนร่วม อันนี้คือยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0 ที่สะท้อนออกมาในรัฐธรรมนูญที่พระต้องเข้าใจด้วยการมีส่วนร่วมมันเป็นคำที่สะท้อนถึงธรรมาพิบาลธรรมาพิบาลเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดของการปฏิรูปประเทศไทยในปัจจุบันที่จะให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 เนี่ย ถ้าไม่มีธรรมาพิบาลเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกเราก็มาดูกันว่ามันคืออะไรไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีเรื่องธรรมาพิบาลเป็นหลักนั้นในในรัฐธรรมนูญก่อนมันก็จะสรุปจากรัฐธรรมนูญมันก็จะมีเรื่องของพระธรรมวินัยแบบจารีตเทรวาส มีเรื่องของการคุ้มครองป้องกันคุสนามีเรื่องของหลักธรรมมาพิบาลทำไมเราจึงพูดเรื่องธรรมมาพิบาลกันมากก็เพราะว่าประเทศไทยต้องการบรรลุเป้าหมายใน15ถึง20ปีข้างหน้าคือการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในด้านเศรษฐกิจซึ่งมีการจัดลำดับระดับโดย ธนาคารโลกในปี 2,554 เมืม่อ6ปีที่แล้วนี่แหละเป็นที่มาของไทยแลนด์ 4.0 มาอยู่ตรงนี้ธนาคารโลกในปีนั้นเนี่ยได้ประกาศยกระดับประเทศไทยให้ไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภาษาอังกฤษใช้คำว่า upper middle income group ก่อนหน้านั้นเราอยู่ในประเทศในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลา ง, ลางดะดับล่างถ้าดูการจัดอันดับของธนาคารโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะสมัยเราเป็น เ, เด็กๆเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าประเทศด้อยพัฒนากําลังพัฒนาพัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนละเขาเปลี่ยนเป็นสี่กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่หนึ่งที่จริงต้องมาดูดูจากกลุ่มที่สี่และดัต่ำสุดเนี่ยเป็นปกลุ่มประเทศที่เวลาได้ต่ำเราเขาไม่เรียกได้พัฒนาแล้วนะเช่นเนปาลเกาหลีเหนืออัฟกา น, านิสถานเอธิโอเปียสูงขึ้นมาก็รายได้ปานกลางระดับล่างเช่นอินเดียสีลังกาเ ว, วียดนามเราเคยอยู่ในกลุ่มที่สา ธนาคารโลกได้ดูลายได้ประชาชาติและก็ดูลายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของประชาชนคนไทยพอมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาถือว่าเราจเจริญมาถึงขั้นนี้รวยขึ้นเขาก็ยกระดับเราไปอยู่กลุ่มที่สองเพิ่งได้หกปีเป็นกลุ่มประเทศมีรายได้ปกลางระดับสูงเราไปอยู่ในกลุ่มจีนมาเลเซีย รัเสเซียซึ่งถ้าเราพัฒนาอีกระดับหนึ่งเราจะไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงเช่นสิงคโปร์สหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัฐบาลไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตั้งวิเช่นคือวิสัยทัศน์ว่าเราจะยกประเทศขึ้นระดับประเทศไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งนในอีก15ปีหรือ20ปีข้างหน้า ในขณะที่มหาธีโมฮัมหมัดเนี่ยอดีนนายกมาเลเซียประกาศหลายปีมาแล้วว่าเขาจะยกระดับมาเลเซียให้ไปอยู่ในประเทศที่มีรายรายได้สูงที่ในข้อหนึ่งเนี่ยในปีคศออ .2020 ก่อนที่เขาจะพ้นจากตำแหน่งเราเคยได้ยินเขานานแล้วเพราะเขาเขาขึ้นในระดับสองก่อนเราเราเพิ่งจะมาถึงตรงนี้ และเมื่อเรามาอยู่กลุ่มที่สองเราจะไปกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยฝันมันจะเป็นจริงไหมเราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรมันก็เกิดมาตรการเกิดวิธีการในการพัฒนาประเทศที่ทำให้มีคำว่าไทยแลนด์ 4.0 โดยแบ่งระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเขาเรียกว่าระบบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย อันนี้เป็นการแบ่งตามตามตามใจฉันนะตามใจของผู้ผู้กําหนดนโยบายประเทศไทยในปัจจุบันประเทศอื่นเขาไม่ได้มารับรู้กับเรานะแต่และประเทศเขาจะมีวิธีคิดของเก่าอันนี้เราเราแบ่งของเราเองแบ่งประเทศไทยว่าที่เรากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเราเป็นประเทศไทย 1.0 ในยุคที่ รายได้ของประเทศพึ่งพาเกษตรกรรมชาวนาเป็นกระดูกสลังของชาติเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ยินประโยคนี้แหละต่อมาประเทศเราก็พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเบาพวกรองเท้าพวกทอผ้าชนิดที่แถวดอนเมืองนี่สมัยรู้นเนี้ยนะโรงงานไททอผ้ายกมากไฟสว่างสวัยทั้งคืนจน สายการบินต่างประเทศลกบนหังคาโรงงานทอผ้าเราอ่ะอันนั้นเป็นยุคสองมายุคสามนี่ไทยแลนด์ 3.0 ศนี่ก็คือยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันที่เราพึ่งอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นมีคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆส่งจากแหลมฉบันส่งจาก คลองเตยอะไรต่างเนี่ยออกไปหรือเคร่องบินนรถไฟอะไรก็ตา่างผลิตรถยนต์ผลิตอะไรตา่างทำให้ปัจจุบันที่เราอยู่ในระดับประเทศไทย 3.0 ศโดยรายได้ของประเทศแบ่งออกเป็นสามาจากสามแหล่งหนึ่งเกษตรกรรมอ่าหนึ่งในสมเนี่ยมาจากเกษตรกรรมเกษตรกรชาวนาชาวไร่อันที่สองคือสหกรรมทั้งหนักทั้งเบา อันที่สมคือเซอร์วิสภาคบริการทั้งโรงแรมทั้งการแพทย์ทั้งอะไรต่างที่เราทำอยู่เนี่ยมันนำรายได้เข้าประเทศเราเราเรียกว่ายุค 3.0 ศยักยุค 3.0 นี่ททำให้เราได้ขึ้นมาแค่อันดับสองนะถ้าเราจะไปอันดับหนึ่งรายได้สูงเนี่ยไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรา แล้วไปติดกับติดกับเ้าเรียกประเทศรายได้ปานกลางทั้งหลายมันเป็นแท็บมันเป็นกับติดกับนี่ในข้อแรกเนี่ยเราเราสรุปด้วยคำว่ามูฟเฟอร์เลสทำงนานหนักแต่ได้เงินน้อยท่านไปดูไอธนาคารในประเทศไทยเนี่ยไอชื่อไทยไทยเนี่ยมันเหลือเป็นของไทยส ก, กิลธนาคาร ไปดูสิใครมาซื้อกิจาการไปแล้วเงินต่างๆนี่มันไหลไปไหนโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยนะมันเป็นเครือข่ายทั่วโลกมันมันชื่ออะไรรถยนต์ที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยที่มาผลิตในประเทศไทยเนี่ยประเทศไหนเขาเป็นเจ้าของเรานี่มือปืนรับจ้างนะไม่ใช่เจ้าของกิจาการเพราะฉะนั้นเงินทองมันก็ เป็นแค่เงินเดือนมันแค่ค่าจ้างแต่ผลผลิตทั้งหลายนี่คนอื่นเอาไปเราทำงานหนักแต่ได้เงินน้อยทำอย่างไรจึงจะเลสฟอร์มูทำงานน้อยแต่ได้เงินมากมหาเศรษฐีของโลกอย่างบิลเกตเนี่ยรวยเป็นสิบิปีเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเขาทำงานเบามากนะใช้ดิสเพลเดียวแค่นั้นไมโครซอฟทอะ โปรกแกรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ก็ไม่ได้ผลิตเครื่องใหญ่ๆไม่ใช่มีของคุณบิวเกตเลยใช้สมองนวัตกรรมเพราะฉะนั้นไทยแลนด์ 4.0 คือความฝันว่าประเทศเรานี่จะได้ก้าวกระโดดไปอีกระดับหนึ่งด้วยสมองด้วยสติปัญญาโดยที่เราจะมีนวัตกรรม แต่นวัตกรรมของเราเนี่ยมันมีกับดับภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบ50ปีเนี่ยก่อนเราโตมาเรื่อยๆนะ 7-8 เอร์ซแต่ว่าพอมาปี3940เนี่ยมันดิ่งมาเลือ3สามมันเป็นแคร็ประเทศที่พัฒนารายได้าปการระดับล่างขึ้นสู่ระดับกลางไอระดับสูงแล้วจะไปต่อเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เท่า น, นั้น มันหัวทิมเราเคยภาคภูมิใจการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยในปีส0ถึง4ี่ว่าเป็นมิราเทวอเอีเชียนเราโตไม่แพ้จีนนะแต่อยู่ๆเราโดนกระทำเย่มเยีย ล, ลดค่างเงินบาทเราในปี มันเหมือนเราวิ่งถนนมาอย่างเี้ยดีๆเนี่ยมันตกถนนมันขาดสะพานขาดไปต่อไม่ได้มันเป็นกับดักสิ่งที่เราเรารู้สึกอันแรกคืออะไรรู้ไหมสองเก้าสามเก้าเศรษฐกิจโตเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะี่ยสูงมากร้อยละเก้าตปีแต่ปีสี่ศูนย์ เราต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทจาก25บาทต่อหนึ him him ่งดอลลาร์เป็นห้าสิบหกบาทต่อดอลลาร์เราทำงานใช้หนี้เขาเพราะเราไปกู่เขามาเนี่ยสิบปีเลย IMF เข้ามาหนี้ต่างประเทศสูงถึงหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ทำให้เราเรียกก้าวช้าไปเท่าไหร่เนี่ยกับดักอันนี้กว่าเราจะขึ้นระดับสามาระดับสองเราเสียจังหวะตรงนี้เท่าไหร่ และถ้าเราจะไปต่อเนี่ยแล้วเราไม่เรียนรู้ เ, รเลิศเล่นจากความผิดพลาดเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอีกตอนที่ค่าเงินบาทรอยตัวเนี่ยนักวิชาการเยอรมันเขามาอยู่ที่ลาวเนี่ยปี40เขาเขียนบทความลงบักรกอสวิจารณ์ประเทศไทยว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะมันมีลักษณะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่ปั่นหุ้น ไอ้คนคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นปั่นอสังหาริมทรัพ์ NPL เพียบฝรั่งคนนั้นเขาพูดว่ามันเพราะประเทศไทยเนี่ยขาดระบบการกำกับดูแลเรียกว่าขาดธรรมมาพิบาติกฎเกณฑ์เขาให้ดูไต้หวัน ไต้หวันยุคนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้โดนโลกต้มยำกุ้งเหมือนเกาหลีโดนจากเราสิงคโปร์โดนจากเราไต้หวันพ้นเพราะอะไรเขาวิจารณ์ว่าเพราะไต้หวันสเสแสรมเจียมตัวเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพขาจนโดนจีนแผ่ดินใหญ่กินกันไม่ได้เป็นสมาชิกโบรกแ Bank ไม่ได้เป็นสมาชิกไอเอเวลาถ้าเศรษฐกิจเขาล่มจมเนี่ยเขาไม่รู้จะพึ่งหันหน้าไปพึ่งใครเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องอยู่แบบพอเพียง ไม่เป็นนี่เป็นสินที่จริงนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันคือไต้หวันไต้หวันอยู่อย่างสงเอเยียนตัวไม่กู้มากไม่อะไรมากเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพึ่งไอ f ไม่ได้ World Bank ก็ไม่ได้ประเทศไทยเราให้ไอ f เข้ามา World Bank เข้ามาในปีนั้นเพื่อที่จะมาผ่อนชำระหนี้ และเมื่อเวิลด์แบง์เข้ามา IMF เข้ามาเนี่ยเขามาขออะไรท่านต้องมีธรรมมาพิบาติรัฐบาลจึงออกออประกาศสำนักนายุกระเบียบสำนักนายุกตรีเรื่องธรรมมาพิบาลในปี 4-2 งลและเราก็ใช้บ้างไม่ใช่บ้างในที่สุดเราก็จะตกหลุมตรงนั้นอีก คำว่า Good g o ม e r n a n c e ธรรมาพิบาลเนี่ยธนาคารโลกเป็นผู้ใช้ครั้งแรกในปี2532ตอนในรายงานทรัพย์สหราแอฟริกามันมีคำพู d ก o v e r เ a n c e ปรากฏขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ถือว่าเรื่องนี้จะต้องไปใช้ทั่วโลกและเมื่อประเทศไทยเกิดเรื่องสาพประชาชาติที่ราชดำเนินเนี่ยยที่ทำพัฒนาประเทศเอเชียแปซิฟิก ใช้ให้กรอบแก่ประเทศไทยเลยว่าเราจะต้องมีธรรมาพิบาล IMF ก็ใช้กรอบเดียวกันจะเห็นว่าในผังนี้มีอยู่แดเรื่องในแปดเรื่องเนี่ยมันจะเกี่ยวกับที่เรากำลังพูดกันก็คือรูนอฟหลอนอกกนั้นก็จะ ตอบปัญหาว่าทำไมทุกวันนี้เนี่ยเรียกร้องเรื่องการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในการบริหารกิจการทั้งหลายขอมีส่วนร่วมและท่านต้องโปร่งใส t r a n s, <ม> <S p a r e n c ่เห็นะมันอยู่ในกรอบธรรมมาพิบาลทั้งนั้นซึ่งเริ่มมาตั้งยี่สิปีแล้วถ้าตอนนั้นคณะสงฆ์เราตื่นตัวนะเราทำธรรมมาพิบาล น, นะมันก็ไม่ต้องมาเจอ ปัญหาอะไรมากมายอย่างนี้ถ้าเราตื่นตัวก่อนองค์ประกอบของธรรมมาพิบาล น, นี่มันมีแดข้อแต่ว่าสรุปเอามาใช้ในประเทศไทยนี่ไม่เท่ากันเอาสักหข้อก็พอใ น, นรัฐธรรมนูญเราเขียนว่าการมีส่วนร่วมนี่คือ participation คืออะไรจะไม่มีเวลาพูดหรจะพูดเรื่องประเด็นอื่นเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้ใช้เงิน วัดอย่างไรบัญชีอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรมีเงินถอนมีอะไรต่างมันอยู่ตรงนี้โปร่งใส accountability เนี่ยความรับผิดชอบหน้าไข่น้ำหลายตัวเกี่ยงกันแต่มันจะต้องมีเจ้าภาพมันจะต้องมีองค์กรหลักในการรับผิดชอบแต่ละเรื่อง รับชรับรับผิดรับชอบข้อสี่ merit system ย่ย่องคนตามความรู้ความสามารถไม่ใช่ spoils y s t e m เล่นพวกสังคมไทยเราอยู่ในระบบที่เห็นแกหน้าตา เ, เกรงใจกันแล้วก็เล่นพักเล่นพวก บางทีเราพวกเรียวกันเราก็ให้กู้ง่ายธนาคารเนี่ยญาัดญาตกันเอาที่สุดเงินไอ้ไอ้สิ่งค้ำประกันไม่มีอะไรเลยและตรงนี้อีกเนี่ยไอ้ไอ้ระบบนี้แหละที่ทำให้สํานักพูดมาใครมาก็เกรงใจกันข้าราชการมันก็ไปเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่ารูอบหล่อปกครองกันด้วยกฎหมาย ถ้าปกครองกันด้วยกฎหมายไม่ทะเลาะกันทำไมยังเป็นอย่างนั้นแต่ต้องเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อย่างทั่วถึงไม่มีหลายมาตรฐานไม่เห็นแก่พักแก่พวกตรงไปตรงมาไม่เอื้อประโยชน์ด้วยกฎหมายแก่ไยใดไฟหนึ่ง เพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราที่เราต้องการเห็นความสมานฉันเนี่ยเราจะเอากฎหมายว่ากันก็ได้แต่ต้องเป็นธรรมต้องทุกฝ่ายมิฉะนั้นมันก็ทะเลาะ ก, กันเพราะกฎหมายนี่แหละตึงกับฝ่ายนี้หย่อนกับฝ่ายนั้นความโปร่งใสมันก็มาจากระบบระเบียบถ้าทุกคนชัดเจนว่า การที่จะจ่ายเงินเบิกเงินเรื่องนั้นนี้ต้องทําตามขั้นตอนอย่างนี้ต้องขออนุมัติอย่างนี้ต้องมีหลักฐา น, นาอะไรนี้ทุกคนมั่นจะรู้ในเรื่องระบบขั้นตอนตามรูนแล้วปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นทุกขั้นทุกตอนไม่บิดเบี้ยวก็จะเก็บหลักฐานตามขั้นตอนนั้นไม่หมดมันจะโปร่งใสคือชี้แจงได้แต่ถ้าระบบระเบียบมนันไม่ชัดเจน แล้วแต่ว่าใครปฏิบัติถ้าคนนี้ต้องทำอย่างนี้คนนี้นน่ในที่สุดมันก็สเปรสปะเพราะสเปสปะจะเอาจริงกันในยุค น, นี้ตรวจคนนี้อา้าวแล้วทำไมพวกนู้นไปตรวจรงนี้ไปตรวจมากับจะมาอ้างกันทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการทะเลาะ ก, กันอยู่ไหนถ้าเราตกลงกันว่ากฎหมายก็คือกฎหมายแล้ว ไอ้ที่แล้วมากับผ่านไปต่อไปนี้ฉันจะเอาอย่างนี้นะไม่ว่าหน้าอินหน้าพมทําเหมือนกันหมดไม่ทะเลาะ ก, กันเราท่านแล้วลมันจะโปร่งใสเพราะทุกคนจะทําตามขั้นตอนอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งประเทศที่อยู่ในระดับพัฒนาแล้วอันดับหนึ่งเลยเขาทําอย่างนี้ท่านไปสิงคโปร์สิคนอเมริกันมาเด็กหนุ่มอเมริกันไปเขียนพ่นสีเระโดนเครียดเลยมาประเทศไทยจ้างก็ไปโดน ต่อให้มีกฎหมายสุดท้ายประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) ประสิทธิภาพนี่หมายถึงคุ้มทุนมีเงินเท่านี้มีคนเท่านี้มีเวลาเท่านี้ใช้คุ้มประโยชน์สูงประหยัดสุดส่วนประสิทธิผลนั้นมุ่ง ความสำเร็จบางทีมันจะแพงก็ต้องทำทำไมเราเลือกไปโรงพยาบาลเอกชนเน่เพราะเราคิดว่าเราอาจจะรอดตายได้มุ่งมหาวิทยาลัยจะผลิตจะเก็บค่าโดยเกตถูกแพงไม่สำคัญข้อสำคัญคือประกันคุณภาพจบมาแล้วมีคุณภาพ effectiveness เราจะเล่นแต่เรามาหาเวลัยเอกนชนอาจจะของรัฐอะไรต่างเนี่ยโดยกิจไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่ว่าจ่ายถูกแล้วคุณภาพไม่ดีเนี่ยจ่ายครบจบแน่ไม่อเอานะต้องเน้นประสิทธิผลทีนี้เรามาเพื่อที่จะมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราต้องฟังทุกฝ่ายอย่างสป ส, สภประเรูปแห่งชาติ เสนอสี่ข้อในปีวันที่ยีิบสี่มีนาคมปีห้าแปดท่านจะดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรนี่เพียงเพียงให้ดูประเด็นที่เขาเสนอประเด็นนึกธรรมิบาลข้อหนึ่งเนี่ยท่านดูที่เป็นมนติของสภาปฏิรูปการจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็หลักธรรม毗ป า, านเหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมิบาล แล้วพระรู้หรือเปล่าไอ้ธรรมาพิบาทมันคืออะไรเรื่องที่สองปรับปรุงกฎมอสอเรื่องแต่งตั้งถอ น, ถอนเรื่องอกระจายอำนาจแทนที่จะรวมศูนย์อำนาจไว้ให้คณะสงฆ์ที่เจ้าวาดอะไรต่างรวมบางทีพูดไปถึงการาโรเทตเจ้าวาดอะไรต่าง อันนี้คืออะไรธรรมิบาลในข้อ participation การมีส่วนร่วมอีกอันแรกเรื่องโปรง่งใสทาง p a r e n c s ถ้าดูสิาทาง forensics เ, เนี่ยเอาให้ดูมันก็จะอยู่ข้อหนึ่งข้อสองการมีส่วนร่วมในการเลือกจ่าววาดในการบริหารวัด ความโปร่งใสแล้วเกิดเรื่องคือใครรับผิดชอบเรียกร้องเรื่องธรรมพิบาลซึ่งอยู่ในธรรมนูนั่นแหละปีหกนย์เนี่ยชัดเลยยิ่งไอฉบับที่ตกไปเนี่ยมีธรรมพิบาลเพียบเลยนะียไอที่ว่าฉบับแก้โกงเนี่ยมันจะแก้โกงได้ไงถ้าไม่มีธรรมพิบาล น, น่ะเพราะธรรมพิบาลไม่ได้ใช้เฉพาะประเทศไทยธนาคารโลกสถาบันชาติเขาใช้ทั่วโลก เราอยู่ในกระแสกระแสของโลกส่วนข้อสกลไกนําปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยปฏิบัติก็คือสรุปแล้วก็คือรักษาหลักพระธรรมวินัยไม่ทำพไม่ไม่ทำพระธรรมวินยัยวิปริตวิปริตและไม่วิปริตจากพระธรรมวินยัยมันก็เป็นเรื่องของรูรับหลอก ใครทาผิดบิดเบือนอะไรต่างก็ต้องดูแล ก, กันปกครองกันด้วยพระธรรมวินัยด้วยกฎหมายข้อที่สี่ปฏิรูปการศึกษาคณะสงฆ์อันนี้หมายถึงเรียนบาลีเรียนนักธรรมเนี่ยนะให้มันมีสเสน่ห์ให้พระดุ่มเด่นน้อยอยากเรียนเพื่อรักษาหลักพระธรรมวินยัยนี่ก็จะเป็นลักษณะในพระรัสรุก ก, ก็คือในเรื่องการเผยแพร่หลักธรมรมเทรวาท ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกไม่รู้ภาษาบาลีแล้วเราจะไปเผยแผ่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องการปฏิรูปการศึกษาให้บาลีนักธรรมดีขึ้นเหมือนกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสมัยได้รับการความนิยมบาลีนักธรรมก็ต้องเป็นแบบเดียวกันเอาละที่พูดมานี่คือมุมมองข้างนอกมุมมองคณะสงฆ์นี่อ เมื่อเสนอปฏิรูปมาแล้วเนี่ยโดยสปชเนี่ยคลมก็ ร, รับทราบแล้วก็ส่งให้คณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็พิจนารณากันแล้วก็เสนอว่างานคณะสงฆ์เนี่ยมันมีหกด้านด้านที่จะรักษาระเบียะบะธรรมวินยัยกฎหมายอะไรต่างเราเรียกงานปกครองเราก็ไปเข้มงวดกับตรงนั้นมากขึ้นการสาธารศึกษาคือเรียนบาลีและธรรม การเรียนมาเนี้ยทำบันทึกมหาวิทยาลัยสด้วยนะส่วนศึกษาสมคร้องนี่หมายถึงจัดการศึกษาเพื่อประชาชนอย่างเช่นที่เรามีโรงเรียนการกุศลของวัดมีการตั้งทุนการสร้างโรงเรียนอะไรต่างๆให้ศึกษาสมครอ์การเผยแผ่ทั้งสอนเทศกรรมฐานสารุปการคือการ บุรณะปฏิสังขรณ์การสร้างวัดสร้างวาและสุดท้ายคือการสารณสงเคราะห์การช่วยเหลือเป็นโซเชียลเวลแฟร์เป็นสวัสดิการสังคมให้กับชาวบ้านในหกด้านเนี่ยถ้าเราเปฏิรูปเนื่องจากว่าใ น, ในยุคนี้เลยนะ เรื่องของการปกครองก็จะต้องใช้มาตรการสรุปแล้วเนี่ยในเรื่องของมาตรการในการไปิรูปคณะสงฆ์เนี่ยสรุปแล้วสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือมาตรการด้านกฎหมายเรื่องที่สองก็คือมาตรการด้านการบริหารสองเรื่องนี้สัมพันธ์กัน โดยเอาข้อสองมาเป็นตัวตั้งอะไรที่มันมีระเบียบมีระบบมีอะไรต่างๆกฎหมายเอื้ออานวยอยู่แล้วขันนอ็อตใช้ระบบธรรมิบาลเข้าไปด้านการบริหารด้วยธรรมิบาลแต่ถ้ากฎหมายไม่เอือ้อเราก็แก้กฎหมายหรือปรับกฎหมายซึ่งจะอยู่แม้จะเออซึ่งเป็นเรื่องที่ ตามมาจากข้อที่สองปรากฏว่าคณะสงฆ์เนี่ยนะมีทั้งพระธรรมวินัยมีทั้งพระชบชัญญาิมีกฎมีอะไรต่างๆเพียบมาเลยจนไม่มีที่จะกระดิกแต่ปัญหาคือมาตราการในการขับเคลื่อนการรับรู้การตื่นตัว โดยเฉพาะในด้านการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายพระธรรมวินัยและจารีตซึ่งเรามีอยู่แล้วแต่ทํำยังไงถึงจะขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตามนั้นอย่างเช่นเรื่องทรัพย์สินของวดัดมันมีกฎกระทรวงออกตามพราบพศนะสองพันห้กรรากฎกระทรวงส1งวัดต้องทําบัญชียังไงต้องชี้แจงยังไงต้องอะไรต่างมันมีรวมถึงพระวินัยด้วย รวมถึงการใช้เจ้าวาดไปเอาเบียดบังทรัพย์สินของวัดยักยอกทรัพย์เข้าไปอีกเป็นเจ้าพนัก ง, งานยักยอกทรัพย์ติดคุกหปียี่ปีถึงตลอดชีวิตถ้ารู้แล้วจะหนาวเจ้าวาดเนี่ยเจ้าพนัก ง, งานตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญานะท่านนะ และถ้าท่านไปยักยอกทรัพย์ของเอกชนเนี่ยเขาติดคุกสามปีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นเจ้าวาดยักยอกทรัพย์เป็นเจ้าพนัก ง, งานตามกฎหมายเนี่ยฟ้องศาลกันเนี่ยออกมาเนี่ยห้าปีอย่างน้อยห้าปีถึงยี่สิบปีหรือติดคุกตลอดชีวิตแค่นี้ก็ไม่หัากเป็นเจ้าวาดแล้วถ้ารู้อ่ะบริหารไม่ดีนี่ขาไปอยู่ในตารางข้างหนึ่งนึงเช่นเดียวกับเป็นที่การบริษีนี่แหละ ใครอยากเป็นบ้งล่ะกระบวนการเนี่ยเพียงแต่มันมีเท่านแต่ว่าเราจะทำไงจะมีมาตรการในการขับเคลื่อนในการบริหารกฎหมายออกเท่าที่จำเป็นเพราะมันยุตแล้วทั้งกฎหมายแผน่นดินทั้งพระวินยัยทั้งจารีตว่ากันไปเพราะฉะนั้นสํานัก ม, ม, ม, มหาวิทยาลัยมัคมจึงนําเสนอแผนปฏิรูป ของคณะสงเองเสนอเข้าคอรมนคณะมนตรีเห็นชอบกับแผนดำเนินการปฏิรูปกิจการพระาศาสนาทั้งหด้านเนี่ยไปขับเคลื่อนเนี่ยเสนอโดยเข้าคณะมนตรีคณะมนตรีมีมติเห็นชอบไปในวันที่14กรกฎาคมปี58ว่าเราจะปฏิรูปใน6ด้านอย่างไรแล้วพอคณะมนตรีเห็นชอบ มหาเทพคมก็บอกว่าจะต้องทําแผนในรายละเอียดล่ะปฏิรูปในผมนัน่นตั้งแต่ปกครองจนถึงสาธารณสงเคราะห์รายละเอียดจะต้องทําเป็นแผนระยะยาวระยะสั้นแผนกลยุทธ์คณะสงไม่เคยมีแผนเลยท่านแต่การที่ไปเป็นกรรมการมหาเสทาค ม, มเนี่ยไปผลักดันให้ทําแผนแล้วเอาทีมมหาจุฬาเนี่ยไปช่วยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ ช่วยทำแผนเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อน ง, งานคณะสงฆ์ในหกด้านขันนอดกันและจะทำแผนอะไรก็มีการสัมมนากันโดยให้ให้ ม, ะมะหาจุลามหามกุญญนน จ, จัรดระดมความคิดจนกระด้่งได้ออกมาเป็นแผนพอได้เป็ น, ปนรายละเอียดเป็นแผนเสร็จใครจะขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตรนะ์นั้น ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2,505 แก้ไขเพิ่มเติม1 3 5สเนี่ยได้พูดถึงการมีส่วนร่วมเขาเรียกการกระจายอำนาจแต่ก่อนเนี่ยอำนาจทั้งหลายมันอยู่ในมหาเถรสมาคมหมดแต่ในปี2 3 5มันจะมีมาตรานหนึ่งที่บอกว่าให้มหาเถรสมาคมเนี่ยตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านนด้านปกครองด้านอะไรๆขึ้นมาได้ไนหะ เพื่อกันกรองงานหรือสนองงานของมหาเดสมคมในหกด้านและจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยก็ออกเป็นระเบียบมสมหาเดสมคมก็จะมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อให้ได้ทําหน้าที่สนองงานสมมุติมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องร่างกฎ ร, ระเบียบก็จะมีคณะกรรมการฝ่ายปกคองของมหาเดสมค ม, มกันกองก่อนก่อนเข้ามส ด้านสาธารณสุขครอกก็จะมีคณะกรรมการ6ฝ่ายแต่พอมีแผนแล้วก็ลเลยกลายเป็น7ฝ่ายฝ่ายที่7ก็คือฝ่ายพัฒนาพุทธมนตนให้เป็นศูนย์กลางพุทธาสนาของโลกตอนนี้มันจะมี7ฝ่ายและแต่และฝ่ายมอสอได้ตั้งประธานตั้งกรรมการหมดเรียบร้อยแล้ว โดยตั้งกรรมการแต่และฝ่ายตั้งแต่วันที่25เมษายนปีที่แล้วปรากฏว่าก็มีอ่าก็ไม่สามารถดําเดินหน้าต่อเพราะมันมีปัญหาเรื่องสถาปนาสังขลสังฆราชอะไรต่างเนี่นะมันก็วุ่นกันอยู่ตรงนั้นเนี่พอมีเรื่องนี้พอเสร็จเรื่องนี้ไปเนี่ยเราก็มาทํางานกันต่อโดยแต่และฝ่ายเนี่ยได้ทําแผนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา 2พ160ถึง2พ1 4ทำแผนแม่บทการปฏิรูปเพื่อให้กรรมการ7ฝ่ายเนี่ยมีแผนของตัวเองและไปขับเคลื่อนโดยมหาวทมหาเทรสมาคมกากำับมหาเทรสมาคมเนียนให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูปกี่กับปริศนาเนี่ยตั้งแต่วันที่20มกราคมต้นปีนี้ จากนั้นเราก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีคณะกรรมการปฏิรูปในหกฝ่ายนี่นะเจฝ่ายเนี่ยในแต่ละจังหวัดก็จะมีอนุพุทธมนฑรอีกกระจายกันไปทั่วประเทศไปร่วมกันแล้วให้ทำแผนทำแผนปฏิบัติการของแต่ละจังหวัดซึ่งไม่เคยทำเลย เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรเรื่องวัดอย่างไรสถานสมบัตอิอย่างไรอยู่ในแผนทห้หมดและมีคณะกรรมการประสานทําแผนให้แต่ทั่วประเทศเนี่ยทำแผนของแต่ละจังหวัดให้สําเร็จออกมาให้ได้มหาวิทยาลัยพระรามก็ตั้งคณะกรรมการประสานเรื่องทาแผนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาจุฬาเนยทานเจาน้าคุณพระราชวัฒเมธีเนี่ย เป็นประธานกรรมกา ร, รประสานแผนสรุปก็คืออธิการไปอยู่ในมอสอส่วนประสานจังหวัดเนี่รองฝ่ายบริหารไปช่วยกันทำแล้วท่านครั้งนี้มันไม่สำเร็จนี่รอไปชาติไหนอ่ะมหาดุษฎีเปิดโอ ก, กาสขนาดนี้ให้มีส่วนร่วมยกตัวอย่างนะครับนี่คือแผนแม่บทจะมีกลยุทธ มียุทธศาสตร์มีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงด้านพุทธศาสนาเรามีกลยุทธ์อะไรบ้าง่อนจะไม่เน้นะ่ะแต่ที่เกี่ยวกับท่านทั้งหลายคือตรงนี้ในยุทธศาสตร์ที่สองมหาเถรษฐคมคณะสงฆ์ต้องการสร้างเครือข่ายมีภาคีกับองค์กรต่างๆมาช่วยกัน พุทธบริษัทจะต้องมาช่วยกันพัฒนาพระศาสนานี่เปิดเปิดแล้วอยู่ในยุทธศาสนะตรนะ์ท่านนะท่านที่ปรึกษานะแล้วมาเข้าตามต อ, อกออกตามประตูมาคุยกันไม่ต้องทะเลาะ ก, กันผ่านสื่อนะมาคุยกันในอนุกรรมการในกรรมการต่างๆเนี่ยเสนออะไรก็ว่ากันไปแล้วเราจะได้ขับเคลื่อนร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะมีเครือข่ายที่จะมาช่วยใน ด, ด, ด้านกฎหมายด้านแล้วแต่งานไง แต่แต่ปกครองเรื่อง ก, การศึกษาสงเคราะห์เรื่อง ก, การระดมทุนเรื่องอะไรต่างๆแม้กระทั่งการเผยแผ่การสอนกรรมาฐานไม่ใช่พระสอนฝ่ายเดียวเคารวาก็มาช่วยสอนได้นี่คื อ, อยุทธกลยุทธ์ร่วมมือกันกลยุทธ์ที่4ี่ระบบพัฒ น, นาระบบธรรมาภิบาลเริ่มตั้งแต่อะไรวะทาคู่มือก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะ่ยให้พระรู้หน่อยว่าธรรมาภิบาลไม่ต้องทําอย่างไรต้องอบรมกันยังไง ท่านที่ปรึกษาบอกไปตั้งงบให้หน่อยสิพิมคู่มือกันเราลองถามประธานรัฐมนตตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งงบเพื่อทำคู่มือแต่เพราะแผนเพิ่งผ่านออกมาเราจัดอบรมเราคุยกันอย่างที่ที่กำลังพูดตอนนี้อะไรให้เกิดความเข้าใจกันเรื่องธรรมาพิบาลแล้วมันก็จะไปได้ไปใช้ปฏิบัติแล้วก็มาถึงเรื่องสีุู่อีกแหละ พัฒนานระบบสา ร, รสนเทศเนี่ย 4.0 พระจริงพระปลอมนี่ใบสุดทีิเนี่ย ID เนี่ยมันยังไม่เข้าระบบใครเป็นอุปราชาบทที่ไหนยังไม่เข้าออนไลน์เลยนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะวัดทั่วโลกเราอยากจะได้เอาอย่างนี้กัน ก, นการเมื่อวานนีประชุมมหาเทวคมเนะี่ยแม่กองทำอยากจะให้พระสอนสีลธรรม ของมหาจุลาเนี่ย1800นแันลูกไปช่วยติวไปช่วยสอนทำรรมาศึกษาแต่จนรอดจนแล้วจนรอดแม่กองทำจนบัด น, นี้ยังไม่รู้เลยว่าพระ 18,000 หปลูกของมหาจุลาเนี่ยไปสอนอยู่ที่โรงเรียนไหนบ้างส่งข้อมูเป็นเอกสารเป็นปิ้งไปมันมีประโยชน์อะไรล่ะเขาขอว่าให้ท่านเข้าระบบออนไลน์ได้ไหมมหาจุลาเนี่ยนในพูในทานะบสศนะ ถ้าสอนศีลธรรมของท่านเนี่ยเข้าระบบออนไลน์ line. ไม่ต้องใครๆดูว่าองค์นี้มรณภาพหรือยังตายหรือยังส่งเงินไปไหมจนบัดนี้ยังไม่ทำนี่มอสอท่านบนมาและนี่พูดในฐานะมอสอพูดแบบที่การก็รู้อยู่ชาติหน้าจะสำเร็จหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเรามีนิสิตทั่วประเทศเนี่ยโอยต้องรอส่งเอกสารกันมาเวลาจบอะไรต่างนี่ออนไลน์ all line. ให้หมด พระสอนศิลธรรม 4.0 แล้วท่านยังมา 2.0 อยู่ได้ส่งเปเปอร์มาเป็นปึ้งๆเข้าที่ประชุมสภามหาวิหายโอ้ไม่อยากพูดเป็นออกทีวีอายเขาเราพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธในเรื่องนวัตกรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยว่ากันไปท่านจะช่วยได้อย่างไรข้ออีกข้อหนึ่งก็คือ เพิ่มขีดความสามารถศาสนะบุคคลเนี่ยเราจะพัฒนาให้ท่านรู้เรื่องกฎหมายสมมติประเด็นที่เรากำลังพูดกันเนี่ยกฎหมายใกล้สงนี่คือเพิ่มขีดสมรรถนะท่านจะทำหลักสูตรไอ้คืออย่างนี้นะเวลาเราอบรมกันเรื่องกฎหมายที่ประสงค์ควทราบเนี่ยนะมันเป็นเฉพาะมาตรานั้นมาตรานี้แต่ระบบความคิดทั้งหมดเจตนารมณ์ทั้งหมดมันยังไม่ชัดเจน วเวลาเรียนในกฎหมายแล้วไม่ได้ท่องเฉพาะมาตรานะเราดูเจตนารมณ์เราดูบริบทของรัฐบัญญัติกฎหมายลูกกฎหมายมันเชื่อมโยง ก, กับอะไรต่างๆเยอะแยะหมดซึ่งทํายังไงจะทําให้พระสังฆาธิการท่านจบปสี่เนี่ยเข้าใจไม่ไม่เข้าใจก็ให้มาเรียนมหาจุฬาเยอะๆตอนนี้จะมีหลักสูตรปปสที่ท่านเรียนจบมหาจุฬามากมายเนี่ยอบรมพวกนี้ก่อนก็ไดนะ้คุยก็รู้เรื่องแนละ้ว ปีหนึ่งท่านจตุรพลดูแลอยู่เนี่ยสองพันกว่ารูปแถมเรื่องนิติศาสตร์ให้ท่านด้วยพ ป, ปสเนี่ยเพราะท่านเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วเป็นพระสังฆาธิการอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เรามักจะพูดกันเนี่ยในตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องของทรัพย์สินของวัดเรื่องทรัพย์สินของวัดเรื่องกระหนุดหนุนอะไรต่างนเนี่ยนะ แต่ก่อนไม่มีปัญหาเวลาที่ประเทศเรายากจนเนี่ยเราไม่ทะเลาะกันเรื่องเงิ น, นตอนเราอยู่ 1.0 2.0 ไม่มีปัญหาข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันก็มาเยอะเอาสมัย 3.0 เนี่ยลเยอะมากประเทศจีนอยากจะขึ้นไปอันดับหนึ่งเนี่ยใช้มาตรการรุนแรงมากในการปราบคอร์รัปชัน ติดตามขา่าวท่านกรูสิงคโปร์นี่ไปแล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยเรียกว่าคลีนมากเนี่ยรุนแรงมากเพราะฉะนั้นพระทั้งหลายเนี่ยนะท่านต้องรู้ว่าเราอยู่ในวัดเนี่ยนะมันจะต้องเป็นแม่แบบในเรื่องของความโปร่งใสถ้าเรายังไม่โปร่งใสแล้วสังคมมันจะขับเคลื่อนข้างหน้าไปได้ยังไงบนวัดวัดกับบ้านมันพึ่งกันเพราะฉะนั้นมันจึงลามเข้ามาในวัดเพื่อให้ท่านกวาดบ้านตัวเองมหาวิเลยสง์ก็ต้องกวาดบ้านตัวเอง สำนักพุทธก็ต้องกวาดบ้านตัวเองเพื่อเราอย่าไปนึกถึงตัวเรายากเราต้องนึกถึงประเทศของเราเราจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าต้องให้พ้นกับดักกับดักที่ทำให้หลุมพลางให้เราตกไปในปี40ที่ไม่มีธรรมาพิบาลถ้าเราลักประเทศไทยเราต้องเสียสละนะเราต้องเป็นแบบอย่างนะนี่คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเมื่อเรารวยขึ้นวัดรวยขึ้นมีไรายได้ขึ้นคนเรามาละแวงกันว่าในฝ่ายรัฐจะล้วงเอาเงินสาธารณบัตรของวัดไปใช้ของรูดไปใช้นี่คือนี่มันคือโฆษณาต่อต้านกันไม่ต้องการให้เกิดความโปร่งใสในบางส่วนและที่ท่านไม่ชี้แจงก็เพราะว่าละแวงไม่ใช่ท่านหวงเงินท่านที่ปรึกษากลัวรู้ว่ามีเงินเยอะแล้วเอาเงินไปใช้ รัฐบาลถังแตกปล่อยข่าวกันมากมายในขณะที่ท่านชี้แจงก็ได้แต่ฉันจะไม่ชี้แจงอะ่ะนี่คือการตั้งป้อมเพราะไม่รู้ว่าวรตทุประสงค์นี่มันคือแค่ทามาพิบาลเพื่อพัฒนาประเทศของเราต่อไปทุกฝ่ายเจริญทุกฝ่ายวินวินท่านต้องพูดให้ทุกฝ่ายวินวินสิ แต่งฝา่ายแตงได้ศาสนาก็ได้ฝ่ายนู้นฝ่ายนั้นก็ได้ไม่ใช่อยู่บนฐานของความระแวงและเมื่อเรามุ่งเป้าหมายประเทศชาติภาพรวมเป็นวิชันเป็นวิสัยทัศน์อย่างนั้นเนี่ยแล้วอยากได้วัดเนี่ยที่เป็นต้นแบบแห่งประเทศไทยใสยสะอาดโธทําไมท่านจะไม่ร่วมมือท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอยู่แล้วคุยกันให้รู้เรื่องนี่คือเรื่องนีกหนึ่ง เรื่องที่สองเรื่องที่สามเมื่อเรามีเงินเยอะเนี่ยมันก็สมควรหรอกที่เขาอยากจะมาแบ่งใช้ท่านเก็บเอาไว้ทำอะไรสมัยที่ท่านยังไม่มีเงินวัดยังยากจนโยมยังยากจนเน่ยเขาไม่สมเขาไม่ถามแต่เมื่อท่านมีมากขึ้นเนี่ย วัดจะต้องเจียดรายได้งบประมาณต่างๆเนี่ยไปทำพันธ ก, กิจในหกด้านให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเผยแผ่ช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านที่เดือดร้อนที่เรื่องอาชีพที่ทา ง, งานสารสสงเคราะห์ไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมไฟไหม้นะอาชีพประชารัฐอะไรก็เขาจะว่าอะไรก็ทำไปเถอะ สมัยก่อนเรามีพระสงฆ์พัฒนาชนบทอนะ่ะตัดถนนขนทางมีแต่หลวงพ่อช่วยกันเดี๋ยวนี้ประเทศพัฒนาหมดจะไปทําอะไรน่ะนะขอโทษนะงบอบตอมีหมดแล้วเงินมันก็กองอยู่ที่ท่านถ้าเราไม่มีแผนนะท่านนะพระก็ไม่รู้จะมุ้ไปทางไหนไอ้นี่ก็มีสัมปทานไอ้นู่นกัไอ้นูกก่นทำไมาไมาเลยส่งไปไปโดน เขาีย อ, อะไรกินร่วมกันไปเลยแต่ถ้าเรามีแผนในการเยผยแผ่อยกตัวอย่างมหาจุฬาเนี่ยนะลําบากลําบนในการขึ้นเขาท่านอธิการบดีเนี่ยต้องทอสังขารไปทอดกรถินทอดพระป่าช่วยสร้างศูนย์พัฒนาชาวเขาไปช่วยอาสมบนดอยเนี่ยไม่รู้เท่าไรนะกุฏิก็ไม่มีอะไรก็มีไม่เห็นมีวัดไหนช่วยเลยเพราะมันไม่มีแผนร่วมกัน และศาสนาอื่นเนี่ยไปยึดหมดหอ่ะกว่าเราจะไปสร้างมรรุสลิมโน้บนยอดเขาโน้นนิสิตมหาจุฬาไปสร้างอยู่โน้นแล้วไอ้ที่มันติดถนนทําไมไม่ไปสร้างมุสริปหลวงพ่อหลวงพ่อดูสิท่านอธิการดู ส, ดสิสัญลักษณ์ศาสนาอื่นยึดหมดแล้วไอ้ที่ดีๆเราก็เลยดูไปอยู่บนดอยลงกว่าจะตื่นตัวกว่าจะช่วยเหลือกว่าจะเผยแผ่กัน งบเอามาจากไหนที่มีช่วยที่ไม่มีเอาไปเจรจาไปทำแผนร่วมกันหรือให้วัดนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาไปสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนการกุศลเนี่ยดีมากให้การศึกษาช่วยเด็กที่ได้โอกาสแต่เดี๋ยวนี้การศึกษาฟรีหมดกลายเป็นโรงเรียนการกุศลไม่แยกนักเรียนะ่ะ แล้วเราก็ไม่เมนเดียวบายว่าท่านมีความใจบุญอยากจะทํำอะไรท่านทําอะไรแล้วนึกหรือว่าพระไม่อยากช่วยอะ่ะท่านทํามาทั้งนั้นเพื่อสังคมแต่มาถึงจุดหนึ่งเรื่องสังคมสงเคราะห์สานารณงเคราะห์กับรู้จะไปทําอะไรไปสร้างโรงพยาบาลสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังหนึ่งเสร็จแล้วนะกระทรวงสาธารณสุขบอกท่านอย่าสร้างดีกว่าเพราะไอ้ตึกของท่านมันถูก ไอ้ค่าเครื่องมือแพทย์มันแพงเราก็เลยไม่มีแพทย์ให้ท่านไม่มีเครื่องมือให้ท่านมหาจุราเนี่ยสร้างไอ้ไอ้ไอ้ไอตึกเนี่ยเนี่ยกับปีแล้ว ย, ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมลนอนอยู่นะั <c oughs> ่นแหะถ้าโรงพยาบาลนะนะั่นแหะท่านลังดูสิเราอยากทำเยอะแยะหมดแผนมาช่วยกันทำแล้วมาใช้งบประมาณมาผ่านให้มันถูก ทำไมไม่มีใครว่าหลวงพ่อพคูณพวกคูณรวยมากนะแต่ได้มามือซ้ายเอามือขวาจ่ายหมดแล้วมีใครไปถามว่าหลวงพ่อพคูณเนี่ยเก็บใบเสร็จไหมบริจาคไปที่ไหนบ้างไม่มีเพราะเราไว้ใจกันแต่ก่อนนี่ยมันอยู่กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นคณะสงฆ์เนี่ยจะต้องประกาศนโยบายชัดเจนว่า เราจะทํางานเผยแผ่มากขึ้นศึกษาสงเคราะห์สารูปการเท่าน่สงเคราะห์นี่ทำกันไม่ใช่มาเก็บเงินไม่ใช่เฉยไปดูมหายานเขาบ้านพักคนชราอะไรต่อเมียอะไรนี่เพียบมาเลยยุคนี้เนี่ยคนเนี่ยนะคนไทยมันจะยุยืนขึ้นไปอยู่ที่ไหนตามวัดเนี่ยสร้างบ้านพักคนชราไม่ใช่ไปเก็บบุ๊คิวคนแก่อีกนะ เงินวัดเอาไปทำอะไรมหาจุฬาที่มันอยู่ได้เนี่ยท่านทั้งหลายดูใหญ่โตขยายสาขาเนี่ยพันธกิจเรามีสี่อย่างผลิตบณฑิตวิจัยบริการวิชาการทนุบารุงศิลปะวัฒนธรรมเงินส่วนใหญ่ที่เราได้มาเนนอกจากผลิตบรริตกับวิจัยแล้วเนี่ยมันไปบริการวิชาการแก่สังคมไม่ว่าจะ อบรมเยาวชนภาคร้อนไม่ว่าจะเรื่องของโครงการพัฒนาที่ส่งบัณฑิตอาสาไปทั่วประเทศและที่สังคมเขาดูแลประถมเราเนี่ยเพราะเราทำบริการวิชาการแก่สังคมวิสาขาบูชาโลกเนี่ยไม่มีที่ไหนเขาจัดหลอกท่านมันต้องทำงานโอวโอทีราชาการวนใหญ่ห้าโมงเย็นเขาเลิกแล้ว แต่มหาจุฬายังอยู่ยังทำวิสาขะทำอะไรกันอดหลับอดนอนเพื่อพระศาสนาเพื่อบุญกุศลจัดประชุมวันนี้นี่มหาจุฬาหรอลองไปที่อื่นในค่าห้องประชุมคิดกี่บาทท่านในมนงค์นี้มาเทศนี่ไปที่อื่นดีกว่าแต่เราจะสอนในเรื่องของจิตสํานึกจิตอาสา จิตสาสาณะมหาจุราเราจะปลุกฝังกันอย่างนี้แล้วมีความสุขในการเป็นผู้ให้ถ้าวัดทั่วประเทศเป็นผู้ให้เนี่ยนะมีอะไรก็ให้ก็ช่วยกันนะั่นชาวบ้านมาลงทุนเหมือนกับว่าคนมีเนี่ยนะไปให้คนไม่มีไม่ใช่ไปสร้างศางสนสถานใหญ่โตโอรานไว้ใครได้ใช้บ้างห้องประชุมนี้ท่านมาใช้เมื่อไรก็ได้ บอกแล้วตอนสร้างมหาจุฬาบอกว่านี่เป็นทรัพย์สินของญาติโยมเราไม่ใช่สถานที่ราชการที่ชอบเขียนป้ายว่าสถานที่ราชการห้ามเขา้านี่แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยของรักท่านเข้ามาใช้มาสอนมาเรียนมาทำอะไรได้มาดูมาอะไรได้หมดและเลิกคิดแบบเจ้าขุนหมุนนายเลิกคิดแบบราชการด้วยวัดก็ต้องเป็นเช่นเดียวกัน ทำแบบเดียวกันหมดและนั่นแหลกมันจะรักษาพระศาสนาท่านประโยชน์มันจะรักษาตัวมันเองเมื่อวัดทำประโยชน์แก่บ้านเมืองบ้านเมืองก็ถนอมรักษาพระศาสนาอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาและนี่คือสิ่งที่เราพูดกันอยู่ในมหาจุฬาเราทำกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเปิดกว้างหมดท่านใครจะบอกว่าเราอยู่ฝ่ายไหนสีไหนไม่ทุกฝ่ายมาหมดมาได้ประโยชน์จากมหาจุลาหมด ไม่มีดิสคริมใเนชั่นเพราะนี่มันเป็นทรัพย์สินของพระศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินเรา เ, เพียงแผู้มาใช้วันหนึ่งเราก็ไปแต่ส่วนรวมต้องอยู่ได้ประเทศชาติต้องอยู่ได้พระศาสนาต้งวัดก็เช่นเดียวกันเราจะต้องเปิดกว้างแล้วก็ช่วยเหลือการทุกฝ่ายด้วยจิตอาส า, าด้วยจิตที่เป็นกรูสอนเป็นธรรมทานและอามิตสถานอย่างที่ท่านหลายการันต์ท ถวายธรรมทานแด่ประสงค์เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างแต่ด้วยจิตสำนึกอย่างนี้และเราก็จะไปกันได้ประเทศชาติประเทศชาติเราก็อยู่อยรอดพระาศาสนาเราก็จะเจริญรุ่งเรืองก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาทุกรูปทุกคนที่ได้มีกุศลจิตมาประชุมพร้อมกันเพื่อทามอบธรรมทาน แก่พระศาสนาขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้จงอาํานวยพรให้โครงการนี้สําเร็จรุง่งรืองไปสมมโนปณิธานทุกประการขอทุกท่านมีส่วนที่มีส่วนในโครงการนี้เจริญรุง่งเรืองงอกงามไพบูลี่ยิง่งขึ้นไปในร่วมทาบไมองค์สมเร็จพระ ส, สัมมาสัมพุธเจ้าประสงค์จำลอหมายสิ่งใดก็ให้ผ่านสําเร็จสมมโนร่นพุ่งมากปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทิด